ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องจุนทสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเสวยพระกรยาหารครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเป็นข้อความที่ปรากฏแม้ในมหาปรินิาานในสูตรแต่หนาที่นี้ท่าน นำช่วงหนึ่งขึ้นมาเน้นคือในช่วงที่พระเจ้าเสด็จไปจะริกไปในมารักจุนบุตรพร้อมด้วยประสงค์เป็นจำนวนมากก็เสด็จถึงเมืองปวาวาแล้วก็ไปประทับที่สวนม่วงของนายจุนทะกรมารบุตรคือเป็นบุตรของนายช่างทอง ใกล้เมืองปาวาในจุนทะได้สดับข่าวการเสด็จของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์ก็ได้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งอยู่ในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งพระบุญมีพระภักเจ้าทรงให้ในจุนทะกรรมารบุตร เห็นแจ้งให้สมาทานอาจาในราเริงด้วยธรรมีกระถายให้เึสังเกตว่าเราเจอข้อความอย่างนี้มาห้าสูตรต่อกันคือนิพพานสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็มาตรงนี้มันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการฟังธรรมะนั้นจะต้องเกิดศรัทธาหรือเกิดปัญญาขึ้นมา คือบางเรื่องเนี่ยเราเชื่อตามนั้นมันก็เกิดสมาทานอาถารพ์ได้เริงได้หรือเราเห็นจริงตามนั้นก็เกิดอาการสมาทานอาถารพ์ได้เริงได้ดังนั้นจึงจำแนกแสดงถึงท่านที่บรรลุมรรคผลด้วยอาศัยสถานนำบ้าง ปัญญานำบ้างสติหนำบ้างความเพียรหนำบ้างนะฮะสมาธิหนำบ้างก็แล้วแต่ความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแสดงเนี่ยมันไปเพิ่มพูนทั้งในส่วนของศรัทธาทั้งในส่วนของความเพียรทั้งส่วนของสติแล้วสมาธิแล้วก็ปัญญา ท่านจึงได้อาราธนาให้พระพุทธเจ้าไปพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งปวงกลับไปเสวยในนิเวศของตัวเองคื อ, อยนึกภาพว่าพุณเจ้าทรงประกาศข่าวการเสด็จปณิพานณะสารวนโนทยานของมรลคกษัตริ์ล่วงหน้าตั้งแต่ประทับอยู่ที่ปาวาลเจดีเมืองไพรสลี พระทาที่รู้ข่าวก็ต้องตามเสด็จพเราพบเรื่องเป็นอันมากที่ปรากฏในที่อื่นนะว่าพระที่ได้ข่าวทราบข่าวว่าพระพเจ้าจะไปนิพพานและในสามเดือนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นห่วงเป็นใ ย, ยอะไรต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปไหนไม่ยอมเจริญสมณธรรมก็ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ อีกรุ่นนึงก็เกิดความคิดว่าพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานภายในสามเดือนเราบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแต่ว่าเวลานี้กิเลสเรายัางไม่หมดเรายัางเป็นปุถุชนอยู่เพรา ะ, ะเราจะต้องรีบเร่งกระทำบำเพ็ญเพียรให้บรรลุมรรคผลทันการไปนิพพานของพระพุทธเจ้าคือก่อนการไปนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นก็ควรจะได้บรรลุมรรคผลถ้าเหล่านี้ก็จะ หลีกเล้นไปอยู่ตามป่าหาความสงบป่าความบริเวกบําเพลิเพยรเจเริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามความสนใจของตัวเองแล้วก็มีการฟ้องร้องกันในเรื่องเหล่านี้คือพวกที่ตามห้อมล้อมพระองค์ไปฟ้องร้องพระพุทธองค์ว่าท่านเหล่านั้นเห็นแก่ตัวไม่มีความรักในพระพุทธเจ้าทอดทิ้งพระพุทธเจ้าแม้นยามที่น่าิ้นหน้าขวานอย่างนี้ พระเจ้าก็รับสั่งเรียกท่านเหล่านั้นมาสอบถามท่านก็เล่าความคิดดังกล่าวให้ทราบพรดทรงยกย่องทรงยกย่องท่านที่ไปอยู่ในป่าคือแทนที่จะไปยกย่องคนดีมาห้อมล้อมพระองค์มีรู้แตล่ละหลักที่จั์ในเรื่องนี้ว่าบุคคลไม่พึงเห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นแม่มาก เมื่อเห็นประโยชน์ขตนแล้วให้เพียนพยายามในประโยชน์ของตนพระเจ้าที่จริงไม่จำไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีใครอาราาักขาพระองค์สามารถจะประทับอยู่โดยลำพังพระองค์เองก็ได้การหอมล้อมการติดตามการแวดล้อมของพุทธบริษัทเนี่ยไม่เป็นการมุ่งหวังผลประโยชน์จากการได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า คือมุ่งประโยชน์แก่ตัวเองมากกว่ามุ่งประโยชน์ที่จะไปอารักขาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นจะต้องมีคนมารักษาทนี้คือลักษณะเด่นที่เราพึงสังเกตแล้วก็น่าจะยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับว่าคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องห้อมล้อมด้วยบริษัทบริวารอะไรมากมายแกยกองซึ่ง มันก็มีปัญหาแก่ถนนน้นทางแก่สถานที่ที่จะต้อนรับแก่บุคคลที่ทำหน้าที่ต้อนรับเป็นต้นเคยเพบเห็นพระส่วนใหญ่จะเป็นแนวกรรมาฐานคือเวลาเขานิมนต์เนี่ยคือท่านไปกันเยอะมากเราก็สงสัยว่าเขานิมนต์กันกี่รูปที่ไปมากอย่างนั้นเนี่ย คือถ้าเขาไมา่ไดมนเท่าไหร่ต้องไปเท่านั้นนอกจากว่าคารวาที่เป็นลูกศิษย์ ส, ội, สองคนแต่ไปเกินที่เขาไ ม, ม่มนมันก็ไม่ควรเดี๋ยวพระเราเมื่อเขาไม่ได้มนเข้าไปสู่ในที่นิมนต์นั้นยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยคือต้องไปฉันอาหารที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะถวายแล้วก็กลายเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์ การทำในพุทสนาจะมีความระมยดละวังหม่มากในเรื่องเหล่านี้คือบางครั้งถ้าเรามองมุมในมุมหนึ่งเนี่ยมักอาจจะเห็นว่าเป็นจริงแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่ง<ม>ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีแต่ในปกติแล้วเราก็มักจะมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง แต่ไม่เกิดการถกเถียงการวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องบางเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจว่าที่ตัวทมนั้นถูกต้องเพราะมองในมุมเดียววลฏจากรปฏิบัติธรรมะจึงเน้นไปที่ความมีสัพริส ธ, ธรรมต้องครบทั้งเจ็ดนะรวดเดียวต้องครบทั้งเจ็ดขอ้อคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาละเทสะรู้จกักกลุ่มคนรู้จักบุคคล ต้องเหมาะสมสอดคล้องโดยเฉพาะกรณีของเหตุผลเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเราไม่เข้าถึงเหตุผลในเรื่องนั้นๆ้นนแล้วมันก็มีปัญหาที่ถกเทียงกันไม่มีที่สิ้นสุดและการเสด็จของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งเนี่ยการ น, นิมนต์จะ น, นิมนต์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงคือ้าจะใช้คําอย่างนั้น บางครั้งท่านจะถามจํานวนผมมีพระสงฆ์ที่เป็นบริวารเท่าไหร่ก็จะนิมนต์เท่านั้นแต่บางครั้งท่านไม่สนใจจํานวนคือเท่าไรก็เท่ากันนัแสดงว่าพลังกําลังศรัทธาท่านสูงก็บังซาบท่านสูงท่านไม่สนใจขอให้ได้มีโอกาสทำบุญกันแล้วการพระมหาเท่าไหร่ก็ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นพุทธบริวารทั้งปวงก็ได้ ฉันพัตตาหารไหนนิเบสของท่านคำกราบทูลนั้นท่านใช้คำว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระภู้มีาคเยา้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาพัฒของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระเจ้าจะรับโดยการนิ่งไอ้นี้คือประเพณีอย่างหนึ่งของพระ พิโ ย, โยมนรา่ีมันต้องซักนะรับหรือไม่รับอะไรต่อะไรเนี่ยคือที่จริงท่านนิ่งเลยก็คือรับนะครับถ้าไม่รับก็จะบอกเรศผลหรือว่าจิต ท, ที่ใดที่หนึ่งก็จะบอกไปแต่ถ้านิมนต์แล้วเขานิ่งเนี่ยก็คือรับน ะ, ะจะมีการนัดหมายอะไรกันก็ไปอีกเครื่องหนึ่งในจุนท่าก็รู้ว่าพระเจ้ารับนิมนต์แล้ว ก็กลับไปถึงบ้านก็สั่งให้ตกแต่งอาหารจัดเตรียมเต็มที่แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกคือไม่ปรากฏในพระสูตรแต่ว่าพระอาจรยกถาจารย์ท่านบอกว่านายจุนทะรู้ข่าวพระพุทธเจ้าปรปส่วนมาก่อนเธอก็คิดว่าถ้าพระเจ้าได้เสวยเนื้อสุกรอ่อน ก็จะหายจากอาการป่วนเจตนาดีมากเจตนาที่จะรักษาพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ได้นานๆผลยังจะเตรียมเนื้อสุกรอ่อนไว้เปน็นอันมากดังนั้นปัญหาคำว่าสุกรมัทธวะเนี่ยจึงถกเถียงกันมาตลอดวพาหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไป พอถึงเวลาเนี่ยจะกลักบไปกลับไปไปกลับทูลพระพุทธเจ้าถึงเวลาหรือเมื่อเขพร้อมแล้วรับไปกลับทูลทีนี้การการเสด็จเข้าไปในบ้านนี่ก็เป็นเป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะถึงนึกว่าการเลี้ยงพระสมัยพุทธกาลนี่ง่ายนะแต่การเลี้ยงพระสมัยนี้แม้พระที่ถูกเลี้ยงนี่รู้สึกอึดอัดเพราะทําไมมันมากเลยเกิดเยอะแยะเลยเกิด อาหารที่ถวายพระถ้ยปกติก็สิบรูปเก้ารูปเจ็ดรูปอะไรแต่เนี้ยนะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งยี่สิบสามสิบอารเยอะก็ดูแล้วคล้ายๆกับพระเนี่ยสิ้เปลืองในการเป็นอยู่มากแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องศรัทธาของสาวบ้านเอง ดีงานบางอย่างที่มีเจ้าภาพหลายๆลายคนโดยเฉพาะเราจะเจอในท้องถิ่นชนบทแล้วก็มีงานพิเศษงานวัดเนี่ยเจ้าภาพจะเยอะมากโดยเฉพาะยิง่งคือทางภาคอีสานทางภาคตะวันออกนะฮะอาหารที่ประเคนพระเนี่ยสมมติว่าพระฉันอย่างละคำนะฮะ ฉันไม่ได้ล่ะถือไม่มีใครที่ฉันได้เพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าการเลี้ยงพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านบอกว่าพระมืภาคนุ่งข่มแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังิเวศของนายจุนทา ก, กมารบุตรทำไมจึงไม่ใช้ถือจีวรที่เราเคยพบประสุกร น, นก่อนบอกว่าถือจีวร นี่ก็แสดงว่าสวนมะม่วงนั้นก็อยู่ใกล้บ้านกนจุนทกกมารบุตรมันไม่มีป่าขั้นเพราะมันก็ขม่มจีวรมาเรียบร้อยก็สมัยนั้นแสดงให้เห็นว่าก็มีผ้าสองผืนก็ก็มีสามผืนนะฮะมีมีผ้าสังกติแล้วเพราะว่าในปลายพุทธสมัยผ้าสังกติมันก็เกิดมาค่อนๆไปแถวกลางกลางพุทธสมัย เมื่อก่อนก็มีเฉพาะสบงจีวรในการต่อมาก็เจอฤดูหนาวขึ้นมาปรากฏว่ะพระเจ็บใข้เลยป่วยกันมากสู้ความหนาวไม่ไหวจีวรมันบางเกินไปพระเจ้าก็ทรงประรบโดยทดลองด้วยพระองค์นะฮะหรือเสด็จไปประทับนั่งกลางแจ้งแล้วคิดด้วยพื้นฐานของความคิดระสอมุสระชาวบ้านเนี่ย พระองค์ไม่แปลกหรอกพระองค์ทนได้แต่ว่าสังขารร่างกายไม่ใช่เป็นโลกุตระนะฮะส่วนรูปร่างกายไม่เป็นโลกุตระเป็นโลกุตระเฉพาะพระไทยต่นก็เห็นว่าปฐมยามอยู่ได้ผ้าหนึ่งชั้นพอถึงยามที่สองปรากฏว่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งชั้นพอยามปลายใกล้รุ่งนี่มันหนาวจัดต้องเพิ่มอีกหนึ่งชั้นก็อยู่ได้ แต่ว่าในแง่ความจริงสมัครคนเราเดี๋ยวนี้นะะอาจจะความหมดกา้นความหมดทนมันน้อยไปหรือว่าความหนาวมันเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้อะเอาจริงถ้าใช้จีวรสามชั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะฤดูหนาวในอินเดียเนี่ยมันหนาวสาหัสเลยที่เคยเจอก็เจอเฉพาะที่เมืองพารนสีเมืออื่นก็ยังไม่เคยเจอที่หนาวจัดๆเดี๋ยวก็สรุปว่าหนาวไอ้ แล้วก็เมื่อมาถึงนายจุนทาก็ได้รับสั่งแก่นายจุนทารับสั่งว่าเนื้อสุกร อ, อ่อนอันใดท่านได้ตกแต่งไว้จงอังคาดเราคือจงถวายเราด้ยเนื้อสุกรออ่อนนั้นแล้วก็ห้ามไม่ให้ถวายคนอื่นด้วยส่วนอาหารอย่างอื่นให้ไปเรี่ยงดูพระภิกษุ แต่นุกสกรอ่อนนั้นให้ถวายเฉพาะแก่พระองค์อย่างเดียวพระทรงรู้ด้วยพระยานน ะ, ะว่านุกสกรอ่อนเนี่ยมันมีปัญหาเป็นกุศลและเจตนาของนายจุนทะเพราะบางครั้งจึงมีพูดว่าเป็นชื่อของยาชนิดหนึ่งเป็นชื่อของเห็ดชนิดหนึ่งเป็นชื่อของเห็ด ที่ที่สุกรชอบกินอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเนื้อสุกรอ น, อนั่นเนี่ยก็สรุปว่าความคิดก็หลายมติมันก็พยายามที่จะหาเรื่องมาถกเถียงกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นมังสวิรัตหรือไม่มังสวิรัตก็ส่วนมากแล้วก็เป็นการพูดของพวกมังสวิรัตเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนพวกตัวเอง แต่เราลืมไปนะฮะเรามองในวินัย์นี่เราจะเห็นเยอะเลยโพชนะประนีตที่ห้ามขอต่อคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรน า, านะฮะแต่ถ้าเป็นญาติเป็นปรนณาขอได้แรือถ้าคนอื่นก็ถวายก็ฉันได้ก็มีอยู่เก้าประการเนยใเนยข้น น, น, น้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมสม้ม ทั้งปลาทั้งเนื้อนะฮะมัดโฉมังสังขีรังดะทิมัดโฉก็คือปลามังสังก็คือเนื้อแต่ไม่ใช่ตัวปลาตัวเนื้อนะฮะเป็นเนื้อปลาแล้วก็เนื้อของสัตว์ก็เป็นโพชนะประณีตีนุญาตให้พระฉันได้หรือย่างหนึ่งคือพระเทวทัตมาขอพร ให้พระอยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัด ต, ต้งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อเนี่ยห้าอย่างพระเจ้าแม่อนุญาตแสดงว่าพระสมัยนั้นก็ฉันปลาฉันเนื้ออยู่ที่แม่อนุญาตก็ทรงให้เหตุผลว่าพระนั้นต้องเชี่ยวพิกขาจารย์บิธบาจากชาวบ้านตันชาวบ้านก็ให้อะไรมันก็ต้องสันเว้นไว้แต่ของต้องห้ามบางอย่าง การห้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีเนื้อยี่สิบชนิดมีเนื้อมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะก็ห้ามไว้แล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยก็นางพระอุบลมรณาเทวีเนี่ยเคยมีคนถวายเนื้อสดๆแก่ท่านแล้วท่านก็ให้คนปรุงแนะนำไปถวายพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักตรศินพระธมินัยในข้อสุดท้ายเนี่ย ทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากนั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทานเหล่านี้มีเยอะนะฮการไม่กินปลากินเนื้อมันเพิ่งเกิดสมัยพระเจ้าอาโศกสืบเนื่องมาจากกฎมาคาตะมาคาตะคืออย่าฆ่าหรือห้ามฆ่าแลวที่เกิดมาในฝ่าย อุตรนิกายกรนิกายมา้ายานนี่เกิดจากประเทศจีนเนี่ยมันเกิดรน่นศตวตตรรษที่สิบห้าพุทธศตวรรษที่สิบห้สมัยพระเจ้าเลี้ยงบุเตมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะป้องกันการฆ่าสัตว์ที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมเพื่อพวกโคพวกควายมัใช้ในการเกษตรกรรมและชาวบ้านกินเนื้อกันมากสัตว์ก็โตไม่ทันแต่ไม่มีปัญหาในภาคแรงงานเกษตรกรรม ก็ขอให้พระช่วยผลนี้ก็แต่งประสูตรขึน้นแล้วก็อ้างพระพุทธเจ้าผลประทายพระจีนก็อยู่เมืองหนาวทนไม่ได้เลยต้องฉันอาหารกลางคืนด้วยเรียกอาหารมื้อที่เป็นยาตอนที่ก็มาเฝ้าอะไรละ่ะพระองค์คุลีพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ฉันนะฉันกลางคืนฉันตอนเย็นตอนที่นิมนต์มาอะไรอะตอนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ย ะจะยินบางรูปขอวิสกี้เลยทำไมนั้นก็คือมันเป็นเหตุผลทางอรติศาสตร์แล้วเราเอามาพนวกกันแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรนะฮะจริงๆไม่ใช่ประเด็นอะไรคือาอยังไงอย่าบริโภคด้วยตัณหาคำว่าตัณหาไม่จำเป็นจะต้องเกิดในวัตถุที่เป็นปลาเป็นเนื้อนะ ที่เป็นผักที่เป็นเห็ดเป็นอะไรแต่อะไรต่างๆที่เป็นพืชต่างๆเนี่ยถ้าบริโภคโดยตันหามันก็ผิดด้วยกันทีเราถามว่าบริโภคโดยตันหาไหมมันก็ต้องตั้งคําถามว่าถ้าไม่บริโภคโดยตันหาทําไมคุณต้องปรุงให้เหมือนกับเนื้อไก่ให้เหมือนกับเนื้อหมูให้เหมือนกับอะไรต่างๆเนี่ยคือคือถ้าคนทั่วไปเนี่ยได้กินอาหารมังสวิรัตโดยไม่รู้เรื่องหน้าเนี่ยไม่รู้นะฮะเยวนี้ไม่รู้เลย ก็รู้สึกสบายดีโดยทําไปการแสดงให้เห็นว่าก็ยังอยากจะกินไข่อย่างเหยีกอย ก, กินปลาอย่างอยียกจะกินเนื้อนะฮะจึงตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นรูปขาไก่เป็นรูปอะไรต่างๆเนี่ยคือที่จริงประเด็นสําคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือเราจะหลงทางนะครคือถ้าความบริสุทธิ์เกิดจากการไม่กินปลากินเนื้อเนี่ยแสดงว่าพวกสัตว์ที่กินพืชก็ต้องบริสุทธิ์กว่ามนุษย์ หรือความบริสุดจะเกิดขึ้นจากกินปลากินเนื้อเนี่ยก็แสดงว่าสัตว์ที่กินเนื้อต้องบรสุดกว่ามนุษย์มันนั่นจะเหตุผลทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเคอสมัสครใจจะกินอะไรก็กินไปแต่อย่ายกตนข่มท่านและอย่าไปบิดเบือนอะไรหลักการต่างๆซึ่งบางทีก็ไปจับมาสักแข่งหนึ่งแล้วเอามาพูดเนี่ยมันไม่ได้วันก่อนเนี่ยก่อนหนังสือที่ท่านนายกแนะนาให้อ่าน แต่ยังานไม่จบไปนะแต่ว่าอ่านดูไปก็หลายหน้าอยู่เมื่อไปเจอข้อความตอนหนึ่งที่บอกว่าให้คิดนอกกรอบของพระไตรบิ ด, ดกซะ ก, ก่อนตกใจนะฮะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะคิดอาจจะชื่นชมยินดีโอ้นี่เป็นนักบาชแต่ไม่ใช่ท่านยกพูดนะะที่จริงเป็นพระพูดให้คิดนอกกรอบพระไตรบิ ด, ดกซะ ก, ก่อน พระใจบิดกนั้นเป็นพระบาลีพุทธวจนนะออกมาจากหัตถ ay ของพระพุทธเจ้ามีความเป็นปฏิเวทโดยสถานะเวลาพระเจ้าทรงสแสดงก็เป็นปริยัติสมะผู้ฟังเป็นปฏิบัติสัทธรรมสมะผู้ฟังแต่เมื่อเกิดผลเป็นปฏิเวทนี้ต้องตรงกับในข้อความในพระใยบิดกถ้าไม่ตรงกันก็ถือว่าผิดอันนี้คือหลักการที่เราจะต้องมองกลับ ไปให้ถูกต้องไม่งั้นแล้วถ้าไปดูมิน่นพระไตรปิฎกก็ก็อย่าลืมมาทำมินัยคือาศาสดานะทำมินัยคือาศาสดาแทนพระพุทธองค์อยู่ไปแตเนี่ยแต่ทำมินัยก็อยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะก็แสดงว่าเราปรปรปรเปิ่นไปเสดสัตตาโดยการไปเสดพระธรรมเราก็ไปเสดพระพุทธเจ้าเราก็ไปเสดพระสงค์ก็แสดงว่าไปเสดพ ร, รัตนาใราเป็นปัญหานะเป็นมาพูดมันๆ น, นะได้แต่ว่าขาดความรับผิดชอบ ผลละการที่เคยบอกนะว่าสัตยธรรมโอครุกาตโบสรังบุทานศาสนังสัตบุรุษเมื่อรำลึกถึงพระพุทธศาสนาต้องมีความเคารพต่อพระสัตยธรรมต้องศึกษาโดยความเคารพปฏิบัติโดยความเคารพพูดโดยความเคารพอยู่นอกกรอบไปะไตรปิดกไม่ได้นะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยภาษาเนี่ยพูดไปเถอะแต่ต้องรักษาเนื้อหาไว ภาษาแน่นอนเราจะสื่อสารในภาษาในพระไตรวิดกก็คงยากนะคนฟังจะเข้าใจยากแต่ว่าเนื้อหาจะต้องยุติด้วยหลักพระไตรวิดกไปบิดเบือนนอกไปจากนั้นไม่ได้เพราะนั้พเจ้าจึงรับสั่งให้เหตุผลแก่นายจุนทรกมารกบุตรเมื่อเสวยเสร็จ บอกว่าให้เอาเนื้อสุกรทั้งหมดเนี่ยไปฝังกลบใชเพราะว่าพระองค์ไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสัมนาพราหม์เทวดาและมนุษย์นอกจากพระองค์ที่จะบริโภคเนื้อสุกรอ่อนนี้แล้วก็ทำให้มันย่อยไปได้เนี่ยหัวานายจุนท้าก็ปฏิบัติตาม เดิไปฝังไว้ในบ่อจิ้งลงบ่อก็กรบบ่อไปเลยก็ทส่งเขาทงเงาทำอาหารเยอะนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเตรียมไว้เป็นอันมากคือปรารถนาจะเลี้ยงพระทั้งหมดแต่พระเจ้าไม่ยอมให้เลี้ยงแปลว่าเงี้เดี๋ยวพระตายหมดแกจะเป็นบาปแต่ว่าการถวายอาหารแกพระพุทธองค์ใน วันที่จะเสด็จดับขันรัปิพาเนี่ยถือว่าเป็นบุญสูงสุดเท่ากับที่นางสุชาดาถวายก่อนที่พระองค์จะสสรูเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่ยังยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะแต่ว่าพอนางสุชาดารู้ในตอนหลังเนี่ยว่าคนที่ท่านถวายอาหารไปที่ธ น, นกว่าเทวดาน่ะจะสัสรูเป็นพระพุทธเจ้า เพราะบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไรเธอก็เกิดปีติประโมทจนพระตถาถาบอกว่าเธอได้แสดงตนเป็นทเววาจิกะอุปาสิกาอุปาสิกาที่ถึงพระพุทธระธรรมเป็นสณะคนแรกในโลกแต่ยังไม่พบท่านบาลีนะฮะก็เป็นการพบระดับอัตตกถา จนถึงกันในที่บางแห่งยังบอกว่านางสุชาดาเป็นแม่ของพระยะศรไปด้วยเลยไปกันใหญ่เลยยุ่งเลยคือนางสุชาดาเนี่ยได้ลูกชายแล้วนะบนเทวดาี่ตรน์ทรขอให้ได้ลูกชายแล้วจะบวงสงรวงเทวดาโดยเข้ามาทุกปลายญาติพอได้ลูกชายถึงเวลาเธอก็ไปบวงสรวงก็แสดงเด็กลูกอย่างเด็กนะ แต่ยะาาสตร์เองเาเป็นหนุ่มก็มีเมียแล้วคนละเรื่องกันเลยเราคนละเมืองกันนะห่างกันตั้งสองร้อยห้าสิบกิโลอันนี้คือคือหลักฐานที่เคยบอกว่าการศึกษาพุทธศาสนาต้องมองในแง่มุมของประวัติศาสตร์ด้วยมันไม่ใช่ว่ามองจับเฉพาะเรื่องแล้วก็ลืมนึกถึงเหตุผลทางประวัติศาสตร์ต่เอกสารบางอย่างเนี่ย คือไม่มองข้อเท็จริงในแง่มุมประวัติศาสตร์ที่เหตุเกิดปสหนึ่งอะไรที่แพร่หลายเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังไม่ก็ไม่สมัครใจจะอ่านคือไม่มีคุณค่าพอที่จะอ่านนะแต่เราก็มองเห็นว่าตามที่เ้าเล่าเนี่ยก็มหมายความว่าเขาไม่เข้าใจในแง่มุมประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้รอบข้อรอบด้านนะะ ไปจับพระสูตรเพียงพระสูตเดียวแล้วก็ไปดึงอะไรต่อไม่ไรก็ข้ามาคิดแบบสามัญชนอย่ลื ม, มว่าเราพูดถึงพระอริยบุคคลทีนี้พอสเสวยเสร็จพระพุทธเจ้าก็เกิดเวทนาอาาธกล้าเวทนากล้าท่านบอกว่ามีการลงพระโลหิตใกล้ต่อการบริพาน์แต่ว่าพระพุทธเจ้ไานนะไม่มีอุปทานอคตินะฮะไม่มีอุปทานอคต์ คือมายึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าแต่ว่าอย่าลืมนะฮะร่างกายมันเป็นโลกิยะธรรมเป็นธรรมเป็นธาตุเฉยๆไดเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศคือป่วยหนักขนาดนี้ท่านบอกว่าถ้าสามัญชนเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นเนพะราะโรคเบียดเบียนเสียดแทงแรงมากๆ พระพุทธเจ้าเสด็จจเมืองปาวาไปกุสินาราชโดยพระองค์เองไม่ได้มีการขึ้นคานหามไม่ได้มีแพร่หามไม่ได้มีอะไรเลยคือเวลาอ่านเนี่ยเรายัางนึกทุวงจริงนะอ้ทำไมปล่อยพระพุทธเจ้าที่ทรงไปชวนมาตั้งแต่เมืองไพยสลียังไม่หายดีอ่ะทำไมให้พระพุทธเจ้าเสเด็จพุทธเนิดไปนี่ก็แสดงว่า เป็นพระประสงค์ที่ต้องการจะทําอย่างนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนเห็นถึงความอดกลั้นความอดทนลดภูเก็เวทนาทั้งหลายเนี่ยศา ส, สดาเป็นต้นแบบให้หมดความเพียรพยายามที่เรายอมถวายชีวิตเนี่ยลูกศิษย์ตางตามไม่ได้พระเจ้าถวายเลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปอย่างเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกระดาม ถ้าไม่จัตตรู้ก็จะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะตั้งความเพี่ยนขนาดนั้นแต่ว่าเราทำตามได้ยากนะหมายความว่าพู้เจ้าทรงปฏิบัติมาตรฐานสูงสุดให้เป็นต้นแบบแต่ว่าทรงครองชีวิตด้ยวยมาตรฐานที่ต่ำสุดให้เป็นแบบเหมือนกันไม่มีบ้านนะฮะอยู่ต้องโคนไม้นุ่งห่มผ้าบางสกุลฉันยาดองด้วยน้ำมุดหน้า แล้วก็เลี้ยงชีพโดยอาหารที่ชาวบ้านเขาให้ให้อะไรมาก็ยังอัตภาพไปเป็นไปได้เขาเรียกยาปนามัตตังคือยังชีวิตจะเป็นไปได้แต่นั้นเองเราต้องเกต น, นะฮะว่าการครองชีวิตเนี่ยเลี้ยงดูขันเนี่ยใช้มาตรฐานขั้นต่ําสุดแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยทรงใช้มาตรฐานขั้นสูงขั้นสูงสุด เป็นความเพียรสุดยอดเป็นอะไรสุดยอดหมดเลยทำลายกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเป็นปฏิปทาที่ควรแก่การสถาเริ่มใสของบุคคลทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในข้อ น, นี้ท่านได้กล่าวเป็นรูปของพันนาบรรยายแต่กล่าวเป็นคาถานะครับ ท่านบอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระผู้มีพระพาภาคเจ้าเป็นนักปราสเสวยพัตตาหารของนายจุนทะกรมมารบุตรและ้วพาดกล้าใกล้ต่อ น, นิพพานเกิดพยาที่กล้าขึ้นแก่พระาศาสดาผู้สเสวยเนื้อสุกรอ่อนประมือภาคทรงพระบางคนหนะักเป็นพระโลหิตอยู่ได้สัต ว, ว่าเราจะไปนคร ก, กุสินาราทีนี้ประโยคนตัวเนี้ยท่านทุกฟังใจว่าอยู่ในพระสูตรนะฮะ อยู่ในประสูตรแต่ทําไม meaning, มีข้อความในลักษณะนี้ปรากฏในพระสูตมันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งในแง่งงมุมของประวัติศาสตร์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังคือตั้งข้อสังเกตนฮะว่าสังเกตนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาเจ e ็ดเดือนผู้ทําสังเกตนาห้าร้อยสังเกตนาครั้งที่สองเนี่ยใช้เวลาเก e ้าเดือน ผู้ร่วมสังฆทานเจ็ดร้อยสังฆทานาครั้งที่สามเนี่ยใช้เวลาสิบเดือนเดวเฮมบอกบอกว่าปีหนึ่งนะี่ใช้สมหนึ่งพันเอ๊ะทำไมคนมากงานช้าละ่ะทำไมคนมากแต่ทำงานช้าละ่ะใช้เวลามากละ่ะเพราะว่ามันมีอัตกถาระดับแรกที่เ็าเรียกคันธะรจนาจารย์หรือภระาสังคีติกจารย์เนี่ย ราพบในพระวินวิ d o c ในพระธรรมิ d o c ในพสุตรตันต์ิ d o c มันจะมีการอาธิบายสาระฐานในตัวประสูตนั่นแหละแต่ก็อยู่ในพระไตรปิดกตอนนเราดูว่าในพระไตรปิดกที่จริงมันมีข้อความที่พระสังคีติกจ า, ออาจารย์เกื้อจารย์ีร่วงสังขยนาเนี่ยท่านสรุปรวปรวมริเ ร, ร, ร, ร, รียงไว้แต่ก็ยุติด้วยบาลีพุทธวจนะนั่นแหละ เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นพระพุทธตํารัตอันนี้ชัดเจนนะครับพระพเจ้าได้สลับมาว่ า, าแสดงว่าคนอื่นพูดแล้วใครพูดละ่ะก็คือภาษัคณิตกาจาร์เป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นแต่แสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ด้วยเพราะท่านได้ยินมาเขาเล่าหรือเขาเล่าให้ฟังเพราะเราจะถือว่าเป็นพระอานนท์ก็ไม่ได้น ะ, ะพระพระอานนท์ตามเสด็จ พระพานนท์เล่าก็ต้องไม่ใช้คำว่าได้สดับมาว่าแต่พระสูตรที่พระพุทธพระานนท่านใช้คำว่าข้าพเจ้าได้ยินมาเนี่ยคือหมายความว่าเป็นพระสูตรที่ท่านไม่ได้ไม่ได้รุ่งฟังอยู่ด้วยท่านใช้คำว่าได้ยินมาได้สดับมาได้สดับมาแล้วอย่างนี้แต่ถ้าพระพานนท์อยู่ด้วยก็ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่าข้าพเจ้าได้สับมาแล้วอย่างนี้ อั น, นี้พอไปถึงจุดหนึ่งพเจ้าก็ไปแวะข้างทางเดอะเสดก็ไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งก็รับสั่งให้พระนลปูผ้าสังกติเป็นสี่ชั้นเราเห็นลักษณะการใช้ผ้าสังกติก็ดูแล้วก็ให้ผ้าเขามาไปเลยนะพระสังกตินี้ใช้อนเนกประสงค์ในกรณีนี้ทรงใช้ให้พับเป็นสี่ชั้นเพื่อเป็นที่รองนั่งเพื่อเป็นที่รองนั่งของพระพุทธเจ้า ได้บางครั้งก็พับเป็นสี่ชั้นสี่ชั้นแต่ว่าไม่ได้พับอีกต่ออีกเที่ยวหนึ่งก็เป็นที่นอนก็ได้พอเราดูหนาวก็ใช้คลุมพอข้าบ้านเนี่ยก็ใช้คลุมนะใช้คลุมข้าวบ้านแล้วเราก็เถียงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ยังไม่ลงตัวอยู่โดยใจว่าเวลาเนี่ยพระมาณิกายเนี่ยท่านไม่ซอนเพราะไม่มีหลักฐานในวินัยว่าต้องซอนที่พอดข้าวบ้านคณะทำยุทธซ้อน แต่ก็ไม่มีข้อห้ามในพระุนัยนว่าห้ามซ้อนเพียงแต่ซ้อนเฉพาะผ้าสองผืนไม่ได้ซ้อนสังกะติเพราะสังกาติมันซ้อนไม่ได้แน่นอนเนื่องจากในพระบาลีบอกไว้เลยว่าห้ามนั่งผ้าทับผ้าสังกะติภายในบ้านแต่ซ้อนในลักษณะโขมทั้งตัวเนี่ยมันต้องนั่งครับ น, นะเพราะแสดงว่าซ้อนนอกคือคลุมคลุมไหล่เข้าไปอย่างนี้ก็จะแบบพระพมา่าแบบลังกามากกว่า คือเจ้าท่านจะคุมก้นอกคือท่านเหล่านั้นน่าจะถูกนะฮะแต่ของเราเนี่ยคงอาจจะเป็นเพราะเราตัวเล็กแต่ว่าพ่อม่า ก, ก็ไม่ตัวไม่ตัวนะฮะเราก็ใช้พาดไหลยอย่างที่เราเห็นนะฮะในสังกกรรมต่างๆใช้ในกณีที่เป็นสังกกรรมก็ใช้พาดไหลก็พระเจ้าประนั่งประทับอยู่ที่เหนืออาสนะพระนุนปูถวาย รับสั่งพระอนนท์ให้ไปตักน้ำตอนนี้ถึงกะกูธานชทีนะครับรับสั่งว่าเตอจงไปนำน้ำดื่มมาให้เราเรากระหายจากดื่มน้ำพระอนนท์ก็กลับทูลว่ามันมีกุญเอนข้ามแม่น้ำไปถึงห้าร้อยเล่มน้ำขุนก็แม่น้ำ ข้างหน้านะฮะแม่น้ําข้างหน้าแล ก, ก็ยังไม่ถึงกระบุธานาทีท่านบอกว่าแม่น้ํากรบุธานาทีนี้มีน้ําใสจืดเย็นสนิทมีท่าราบเรียบควนรื่นรมอยู่ไม่ไกลนักพระพงุทธเจ้าก็รับสั่งย้ำสามครั้งบอให้ไปพระนรนก็ไปนะฮะไปปรากฏว่าไปถึงน้ํามันไม่ขุนน้ําไม่ขุนแต่ว่ากลายเป็นน้ําที่ใสสะอาด สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่พระนุนท่านก็บอกว่าน้ำในในแม่น้ําเนี่ยพี่ถูกเวียนบทแล้วขุนมัวหน่อยหนึ่งไหลไปเลยไหลไปอยู่พอพระนุนเข้าไปใกล้นี่ใสแจวไม่ขุนมัวไหลไปอยู่พระนรเดงก็อัศจรรย์เนี่ยว่าน้ํามันขุนขุนทไมมันมันตอนตอนเห็นนมันขุนอยู่นิดหนึ่ง แต่ว่าพอท่านลงไปมั น, มนหายไปแล้วกลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดแล้วไม่ขุดมัวพระนรน์ก็เลยตักตักด้วยบาทโดยแสดงแสดงถึงว่าบริขารของพูทธเจ้านี้บาทก็เป็นอนเนกประสงค์นะบาทนังก็ใช้อนเนกประสงค์ใช้บินทบาทเขาตักบาทแล้วก็ใช้เป็นนิชันอาหาร แล้วก็เวลาฝโตกก็ใช้ใส่ผ้าบริขารนะผ้าสากติอะไรตอะไรต่างๆบริขาร án, พวกเข็มพวกอะไรอะไรตก็ใส่ก็เปในบาทบาทก็เป็นเอเนกประสงค์บางครั้งทรงแสดงถึงการครองชีวิตของพระว่ามีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีบอลเป็นเครื่องบริหารกายเที่ยวไปเหมือนนกมีสองปีกบินไปโดยไม่อะไรไม่ผูกพันในที่ใดที่หนึ่งเนี่ย มันรูปของนกเขินบินเนี่ยมันเป็นภาพที่ที่น่าประทับใจยังเคยนานมาแล้วนะฮะประมาณสักสามสี่สิบปีมาเคยเจอคำกรอนบทหนึ่งอยู่ในหนังสื อ, อประจํารุ่นของสภาการสามาหุราติยาลัย ร, รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สอง น, น, นานแล้วมีข้อความว่า ฉันจักไม่ยินยอมให้ขอร้องก็กรงขังถึงกรงส่วนนังก็บอกปรารถนาเลยฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามเสเบยพลอดเพลงเมื่อลมเชยและจะบินตะเวนไพรเป็นอิสรภาพของนกพระพุทธเจ้าสอนให้พระให้มีอิสรภาพแบบนกจามาเถินบินไปได้โดยไม่ต้องแบกอะไรไปรุงรังมีทพาสัมร a r a รุงรัง ไปนี้มันก็ทำได้เพียงฝันนะฮะเราคือเราใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ แ, แต่อะเข้าไปในป่าปาระต้องขออนุ ญ, ญาตต้องมีกิจกรรมต่างๆเยอะก็สำคัญจริงๆมันเป็นเรื่องยุคสมัยอยู่ด้วยนะเรื่องกาลละเรื่องเทศะอยู่ด้วยประมาณถึงแล้วพระโดนท์ท่านก็คิดเนี่ยว่าแล้วมาแล้วมากราบทูล น, นะฮะว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าศจั์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วความที่ประทาราคตทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม่น้ํานี้แหลถูกล้อเกวียนบทแล้วขุนมัวหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปใกล้เนี่ยใสแจวไม่ขุนมัวไหลไปอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยน้ำเถิดพระผู้มีภาคเจ้า ก, ก็ได้เสวยน้ําเสร็จแล้วก็ พร้อมด้วยพระสงค์นะก็เสด็จไปจนถึงฝั่งแม่นม้ำกากุธานจีพอถึงที่นั้นก็เสด็จลงสงสนานสงไปชวนหนักนะฮะลงสงสนานในแม่นม้ำกากุธานจีพระสงค์จะลงด้วยหรือเปล่าก็คงไม่ท่าไปนะฮะไม่ได้บอกไว้แต่พระเจ้านั้นก็ลงสงสนาน ประสงค์สนานเสร็จก็เสด็จเข้าไปยังสวนมะม่วงอีกแข่งหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าคงเป็นเป็นอยู่ในบริเวณเมืองปวานแหละรับสั่งเรียกพระนนท์บอกว่าให้ไปบอกในจุนทะเพราะว่าก็คือครั้งแรกก็ให้พระพระจุนทะจุนทะจุนตะกะ ปจุนทกกะนี่ก็คือเป็นน้องคนที่สามของพระสารีบุตรพระสารีบุตรมีน้องคือพระอุปเส น, นะนะฮะพระเรวตัตโอ้ไม่ใช่ใช่ใช่พระเรวตะเป็นคนที่สี่เรวตัตปจุนทะ ก, ก็ติดตามการชิดพระพุทธเจ้านะฮะปจุนทะนี่ตั้งแต่เป็นสามนเณรพระเรวัตอยู่ในป่าไม้ตะเคียนยีสิบสี่ปี ภาษาริบุตรนั้นก็เป็นเอกสาวกภาษากตะไอ้พระอุปเสนะก็เก่งเก่งมากระดับนี้เอตทะฆาบหมดนะน้องภาษาดิบุตรนี่ทั้งภาษาริบุตรด้วยเป็นเอตตะทะฆาบหมดเลยทั้งสี่องค์เก่งมากแล้วก็ให้พระจุลธะปูพัดสังคติเป็นสี่ชั้นพระองค์จะนอน่ะพระพก่อน ประจุท่าก็ปูเสร็จแล้วก็ปู่เจ้าก็ส่งบรรทมเขาเรียกว่ามนสิกานุทานสัญญาเป็นการกําหนดหมายว่าพระเดชจะลุกขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งพระเจ้าประทับบรรทมเนี่ยเรียกว่าอุทานสั ญ, ญาด้วยกันดังนั้นแต่ตอนนี้ท่านได้อุทานสัญญาคือกําหนดกําหนดพระไทยว่าจะลุกขึ้นประจุทธาก็นั่งเฝ้าอยู่พระผู้มีพระภาค ประทับนอนแบบสีหัสายาหรือสีหัสายาอย่างที่เราว่ากันเนี่ยนอนตะแขวงขวาเท้าเท้าพระบาทเนี่ยซ้อนเหลื่อมกันหน่อยหนึ่งแล้วก็พระหัตข้างหนึ่งเนี่ยไปคล้ายๆก็หมอนนะวางก็คงไม่ถึงก็ไปไปนอนแบบพระพุทธสายาอย่างนั้นคือยังนึกว่าพระพุท ธ, ธะไปนิพพานนะ่ะที่กุสินาราเนี่ยน่าจะถูกต้องคือคงบัญทมแบบนั้น ถ้าจะเอามือคำ้ำมันก็คงจะระยะสั้นๆเราลองลอ ง, ลองนอนอย่างนั้นดูมันก็นอนระยะสั้นๆนได้แต่ยาวๆเนี่ยมันก็เนตหากินนะฮะนี่ก็เป็นข้อความตอนหนึ่งที่จริงก็ปรากฏในหมหาปีนิพพานในสูตรแต่ตอนนี้เราก็มาเจอตรงนี้มันเจอที่อุทานก็ว่าไปก่อน ทังฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งทางนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญององามไพรบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยโทิกันสวัสดี